เมื่อวันที่หนะกกรกฎาเนี่ยหลวงพ่อไปเทศที่สุรินทนระ์เทศวัดบูรพารามมีคนมาจากหลายจังหวัดนะมาฟังเทศแล้วกลับขับรถไปไกลๆมาจากหลายจังหวัดยโสธรก็มาจากมหาสารคา ม, นะมาคนทางโน้นก็เเริ่มสนใจการภาวนาก็ดีขึ้น เหมือนพวกเราที่นี่นะพวกเราที่นี่มาเรียนต่อเนื่องการภาวนาของพวกเราดีขึ้นมากแต่ละคนรู้สึกตัวไหมมันมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งเราเองรู้สึกได้ด้วยตัวเองคนใกล้ชิดเราเขาก็รู้สึกได้ในใจของเราเคยหนักเคยแน่นใจมันก็โปร่งขึ้นโปร่งขึ้นเราเคยหลงทั้งวันเราก็รู้สึกตัวได้มากขึ้นมากขึ้น ไปเทศวัดบูรพารา ม, ทมเทศหลวงพ่อไปเทศเรื่องดูจิตนะในฐานะที่เราไปเทศที่วัดบูรพารามทั้งที่วัดหลวงปู่ดุลเลยพูดเรื่องการดูจิตการดูจิตช่วงหลังๆนี้คนพูดถึงเยอะแต่มันไม่ค่อยจะใช่การดูจิตเท่าไหร่หรอกส่วนมากเป็นการเพ่งจิตการดูจิตกับเพ่งจิตไม่เหมือนกัน ถ้าเราดูจิตเป็นนะเราจะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาได้วิมุตตได้มาเป็นลำดับลาดับได้ครบศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตต์เป็นธรรมเป็นคุณธรรมคุณงามความดีนะถ้าเราได้จิตอันเดียวนะเราได้ธรรมทั้งหมดมาเราเสียจิตไปดวงเดียวเราเสียธรรมทั้งหมดไปดันะั้นจิตน่าสำคัญ จิตเป็นใหญนะ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานของธรรมทั้งหลายทั้งปวงครูบาอาจารย์ถึงสอนภาวนาเนี่ยถ้าไม่ถึงจิตถึงใจยังไม่ได้แก่นส า, สารสาระของการปฏิบัติยังได้ผิวผิวเปลือกเปลือกนี่เป็นเทศเรื่องดูจิตนะอุปชาหลวงพ่อเป็นนั่งฟังข้าหลวงพ่อี่เป็นหลานหลวงปู่ท่านอยู่กับหลวงปู่มาตั้ง 40-50 หปีตั้งแต่ท่านเป็นเนน ถ้าทางานใกล้ชิดหลวงปู่มาตลาดเลยเป็นคนเขียนเรื่องหลวงปู่ฝากไว้ใครเคยอ่านไหมหลวงปู่ฝากไว้ใครไม่มีบ้างมีไหมไม่มีหรอน่าสงสารจังไม่ได้พกมา <c oughs> เฮงก็พิมพ์แจกกันเรื่อยๆถ้าเทศเรื่องดูจิตนะถ้าเทศผิดเนี่ยเจ้าของลิขสิทธิ์ดูจิตต้องว่าหลวงพ่อแน่เลยเพราะท่าน อยู่กับลงปู่มาตลอดนะแล้วถ้านั่งฟังยิ้มไปยิ้มมานะเ <c oughs> ทศเสร็จแล้วบอกให้โยมส่งกันบ้านซะอีกท่านบอกเอ้าโยมส่งส่งเนื้อหาสาระแล้วเล่าให้ฟังเล่าให้พวกเราฟังดูจิตยังไงจะมีศีลดูจิตยังไงจะมีสมาธิดูจิตยังไงให้เกิดปัญญาดูจิตยังไงมีวิมุตตนะวิมุตต์ื่อความหลุดพ้นนะเกิดมากเกิดผลนะ ถ้าดูจิตเป็นแล้วมันจะได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าเราไม่ได้จิตมาศีลก็กระร่องกระแลงสมาธิก็กระร่องกระแกลงปัญญาก็กระร่องกระแกลงวิมุตไม่มนะีดูจิตจะให้เกิดศีลนะจริงๆทุกคนดูจิตเป็นโดยธรรมชาตินะทุกคนดูจิตเป็นอยู่แล้วแต่ละเลยที่จะดูเท่านั้นเองพวกเรามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในตัวเองนะเราสามารถรู้ได้แต่เราไม่ค่อยอยากรู้ อย่างเวลาความรักเกิดขึ้นแทนที่เราเราจะรู้ว่าจิตกาลังรักนะเราไม่ดูเราจะไปดูคนที่เรารักเวลาความโลภเกิดขึ้นเราไม่ยอมดูว่าจิตกาลังโลภเราจะไปดูว่าไอ้ของที่เราชอบเนะี่ยอยากได้อะไรเราก็ไปสนใจดูนั้นนะยังไม่มีเงินซื้อก็ไปเดินเดินดูหรือดูแคตตาล็อกดูอะไรดูแล้วดูอีกไม่ยอมดูจิตตนเองว่ากาลังโลภอยู่ เวลาโกรธเราก็ไม่ดูจิตตัวเองว่ากําลังโกรธเรามัวไปดูคนที่ทําให้เราโกรธอย่างเวลาเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราโกรธขึ้นมาเราทํำไงบ้างกดแตรยังเห็นไหมจ้องมันตาไม่กระพริบเลยจ้องมึงไปโน่นละด่าเองไม่ทานว่ากดแตรงั้น mm hmm. จริงๆแล้วทุกคนนะดูจิตของตัวเองเป็นนะ สภาวะอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจเรารู้อยู่ทุกคนนะแต่เราละเลยเราละเลยหนะลวงปู่ ด, ดู ล, ลงพ่อไปเจอท่านครั้งแรกท่านถึงบอกการปฏิบัติไม่ยากมันยากเฉพาะพผู้ไม่ปฏิบัติจะยากอะไรนะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิต ใ, ใ, ในใจพวกเรารู้ได้แต่เราละเลยที่จะรู้ถ้าเราไม่ละเลยที่จะรู้ความรู้สึก ใ, ใดๆเกิดขึ้นที่จิตที่ใจเราคอยรู้เรื่อยๆไปกิริยาอาการอะไรเกิดขึ้นที่จิตที่ใจ <S <S ค่อยรู้เรื่อยๆไป ศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ดูสิ่งที่ต่างกันนะจะมีผลที่ต่างกันถ้าหากกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตที่ใจเราเราคอยรู้ทันเนี่ยศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นแต่เดิมพวกเราถือศีลอยากเพราะเราถือศีลที่มือที่เท้าที่ปากเนี่ยปากอยากด่าแล้วก็ข่มใจไม่ยอมด่านะมือจะต่อยเขาล้วเท้าจะเตะเขาแล้วพยายามข่มใจไว้ มือกำลังจะไปขโมยของเขาแล้วข่มใจไว้ข่มใจไว้ข่มใจไว้เหลอแป๊บเดียวไปหยิบมาแล้วอะไรเงี้ยนะการรักษาศีลนะถ้ารักษาที่ปากที่มือที่เท้าอะไรเนี้ยรักษายากจะรักษาง่ายถ้าเรารักษาที่ใจเรามีสติไว้นะกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตที่ใจเราคอยรู้ทันความโลภเกิดขึ้นรู้ทันความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นรู้ทันนะ ความหดหู่เกิดขึ้นรู้ทันความลังเลสงสัยเกิดขึ้นรู้ทันไปเรื่อยถ้ารู้ทันแล้วศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเองนะศีลการรักษาศีลจะง่ายถ้ารักษาจิตถ้ารักษาที่อื่นไม่ได้รักษาที่จิตในการรักษาศีลจะเป็นของยากงั้นเรามารักษาจิตของตนเองนะด้วยสติมีสติคอยรู้ทันราคะเกิดขึ้นรู้ทันถ้ารู้ทันราคะจะไม่ครอบงําจิต ถ้าราคาไม่ครอบงําจิตนะเราก็จะไม่ไปขโมยใครไม่เป็นชู้กับใครนะบางคนมีราคานะไม่เห็นเราไม่เห็นนะก็ไปเป็นชู้กับเขาไปขโมยกับเขาไปกิ๊กเขานะมีกล้องมีกิ๊กไปพูดจาหลอกลวงเห็นไหมสีเข้าสีก็ผิดด้วยนะะ ร, ราคาเกิดโลภะเกิดไปพูดจาหลอกลวงนะสาวก็ไปหลอกหนุ่มหนุ่มก็หลอกสาว สุดท้ายมันสมยอมคนต่างหลอกเนะนี่ยมันหลอกไปหลอกมาเพราะอะไรรู้ไม่ทันจิตของตนเองความโกรธเกิดขึ้นเราก็ไปฆ่าเขาไปตีเขานะความโกรธเกิดขึ้นไปขโมยของเขาได้ไหมได้เกลียดที่หน้ามันเลยแกล้งขโมยของมันเนี่ยมีไหมทําได้นะแล้วความโกรธเกิดขึ้นทําผิดศีลข้อสองก็ได้ทําผิดศีลข้อสามได้ไหม เกลียดหน้ามันนะไปแกล้งจีบเมียมันซะเลยนี่ยทได้นะไปไปด่าเขาก็ได้เห็นไหมไปยุยงให้คนเกลียดเขาก็ได้เนี่กยกิเลสเกิดนะเราจะทําผิดศีลถ้ากิเลสไม่เกิดไม่ครอบงําจิตนะทาผิดศีลไม่ได้นะใจฟุ้งซ่านขาดสติขาดสติซะอย่างเดียวนะทําผิดศีลข้อไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละเพราะกิเลสจะครอบงําจิตได้ตลอดเวลาเลยถ้าเราขาดสติซะตัวเดียว นี่บางคนก็สติธรรมดาก็หายากอยู่แล้วนะเราก็ไปกินเหล้าเมายาให้สติน้อยลงไปอีกเนี่ยนยิ่งแย่ใหญ่งั้นเราพยายามมีสติรักษาจิตเนืองๆถ้าสติรักษาจิตได้เรื่อยๆเราจะไม่ผิดศีลนี่ทำไงเราจะมีสมาธิสมาธิมีสองจำพวกสมาธิสงบกับสมาธิตั้งมั่นสมาธิสงบเนี่ยเราก็ดูจิตดยใจของเราไปนะ จิตใจมันฟุ้ง <Jub> ซ <ilee> ่านที่มารู้ทันจิตใจมันฟุ้งซ่านที่มารู้ทันนะจิตมันจะสงบของมันเองจิตมันไหลไปจิตของเราไหลทั้งวันจิตของเราไหลทั้งคืนนึกออกไหมเดี๋ยวก็ไหลไปดูเดี๋ยวไหลไปฟังเดี๋ยวไหลไปคิดถ้าจิตไหลแล้วเรารู้ทันนะจิตจะตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเรียกว่าจิตมีสมาธิงั้นวิธีฝึกให้จิตเกิดสมาธินี่ไม่ยากบางคนฝึกสมาธิแทบตายนะฝึกไม่สําเร็จ มาเรียนกับหลวงพ่อไม่นานนะไปนั่งสมาธิได้ดีกว่าเก่านะสมาธิมากกว่าเก่าอีกนะี่แต่เดิมไปนั่งหัดพุทโธพุทโธนั่งรู้ลมหายใจมันไม่ยอมสงบยิ่งไม่ยอมสงบยิ่งโมโหนะยิ่งโมโหยิ่งบังคับมันให้มากขึ้นมากขึ้นอยากจะสงบนะบังคับเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่สงบเพราะจิตไม่มีความสุขเคล็ดลับของสมาธิคือจิตต้องมีความสุขถ้าจิตมีความสุขแล้วมันสงบของมันเองนะ นี่ถ้าเราอยู่อารมณ์กรรมฐานที่ใจเราคุ้นเคยใจเราชอบนะแล้วไม่ขาดสตินะแล้วเราคอยรู้ทันจิตไปคนไหนชอบพุทโธเราก็พุทโธล้วก็รู้ทันจิตจิตหนีไปคิดจิตฟุ้งซ่านไปแล้วรู้ทันคนไหนรู้ลมหายใจชอบรู้ลมหายใจแล้วรู้ลมหายใจไปจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันคอยรู้ทันจิตไปเรื่อยบางทีรู้ลมหายใจจิตก็ไหลเข้าไปเพ่งท้องไปเพ่งลมหายใจนี่จิตไหลเหมือนกัน นะถ้าไหลลงไปอยู่ที่เดียวก็จะเป็นการเพ่งถ้าไหลออกไปแล้วสเปซสปะเป็นความฟุง้งนซะ่านสองข้างนะับข้างกันความฟุง้งซ่านนะก็จับอารมณ์ไม่มั่นหนีไปทางน้นหนีไปทางนี้นะส่วนการเพ่งนะจิตเป็นนิ่งอยู่ที่เดียวแต่จิตเป็นนิ่งอยู่ที่เดียวจิตก็ไหลนะมันไหลไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวเช่นมันไปรู้ท้องพองยกจิตมันไหลไปอยู่ที่ท้องนะจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตไปอยู่ที่ท้อง จิตรู้ลมหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนี่จิตไม่ตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นมันจะเห็นเลยจิตมันจะตั้งตัวเด่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะแล้วมันจะเห็นทุกสิ่งที่จิตรู้เนี่ยแยกออกไปอยู่ต่างหากจิตจะไม่ไหลเข้าไปรวมกับสิ่งที่มันรู้นี่เรามาคอยฝึกนะมาหัดหาอารมณ์กรรมาฐานขึ้นมาสักอันหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ให้จิตเลือกดูอารมณ์ที่ไม่ยั่ว ก, กิเลสอารมณ์ที่ยั่วกิเลสไม่เอาเอาอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลส แล้วก็เป็นอารมณ์ที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขมีความสบายสบายใจอยู่กับอารมณ์มนนั้นไปแล้วถ้าจิตไหลไปเรารู้ทันจิตไหลไปเรารู้ทันเราจะได้สมาธิขึ้นมาถ้าเราจับนิ่งๆอยู่ที่อารมณ์ที่สบายเราจะได้สมถะจิตไปรวมอยู่ที่อารมณ์ที่สบายจะได้สมถะนะแต่ถ้าจิตไหลไปแล้วเรารู้จิตไหลไปแล้วเรารู้เราจะได้ความตั้งมั่นขึ้นมานะตัวนี้พูดให้ฟังเนี่ยจะเข้าใจยาก ต้องไปลองทำเอาเองนะเช่นถ้าเรารู้ลมหายใจแล้วจิตเราไปรวมเข้ากับลมหายใจมีสมาธินะสงบอยู่กับลมหายใจได้สมถะถามว่าจิตส่งออกไปไหมจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมนะได้สมถะนะถ้าจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวนะแต่ถ้าจิตไหลเข้าไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วเรารู้ทันเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่น แห็น ไ, ไหแค่รู้ลมหายใจนะจิตจะพลิกได้สองแบบถ้าจิตไหลไปอยู่ที่ลมได้สมถะถ้าจิตรู้ลมจิตตั้งมั่นอยู่ตังหะเห็นร่างกายหายใจอยู่จิตไม่ฟุ้งไปไม่หลงไปที่อื่นด้วยไม่หลงไปที่ลมด้วยเนี่ยจิตจะได้ความตั้งมั่นจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมาธิชนิดตั้งมั่นนี้แหละที่เอาไว้เดินปัญญาส่วนสมาธิที่จิตไหลไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวเอาไว้นอนพักผ่อน ได้พักผ่อนถามว่าพักผ่อนดีไหมดีจำเป็นไหมจำเป็นมีประโยชน์ไหมมีนะแต่ถ้าพักมากไม่ยอมเจริญปัญญาชาตินี้ก็ได้แค่พักชาติหน้ามันก็ไปพักต่อไม่พักในปลมอะโลกนะนั้นเราคอยรู้ทันนะคอยรู้ทันจิตนี่ตัวสำคัญเลยนะอย่างเรารู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมไม่หนีไปที่อื่นได้สมถะ จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันจิตนีไปอยู่ที่อื่นนี้ไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันเราจะได้ความตั้งมั่นเราดูท้องผ่องยุบถ้าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องจะได้สมถะจิตตั้งมั่นขึ้นมานะรู้ทันจิตที่ไหลเข้าไปที่ท้องจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจะได้ความตั้งมั่นจิตนี้ไปคิดอีกรู้ทันอีกก็ได้ความตั้งมั่นถ้ารู้ทันจิตที่หลงไปไหลไปเนี่ยจะได้ความตั้งมั่นถ้ารู้อารมณ์อันเดียวที่มีความสุข จะได้สมถะดีจะได้สมาธิชนิดสงบนะถ้ารู้ทันจิตที่ไหลไ ป, ไปคิดนะจิตที่ไหลไปจิตที่ฟุ้งไปจะได้ความตั้งมั่นถ้ารู้อารมณ์ที่มีความสุขแล้สบายอยู่กับตัวอารมณ์จะได้สมถะกรมรมฐานเฉยๆไม่เดินปัญญานะตัวนี้แยกให้ออกนะเห็นไหมเรื่องจิตนั้นประณีตนะไม่งั้นเราดูไม่ออกเราก็คิดว่าเราทําสมาธิแล้วคงจะเจริญปัญญาได้ไเจริญไม่ได้ถ้าเราไปทําสมาธิชนิดพักผ่อน สมาธิชนิดพักผ่อนทําให้จิตมีเรี่ยวมีแรงกระชุ่มกระชวยขึ้นมาหรอกแต่พอจิตกระชุ่มกระชวยเราต้องมาฝึกให้ตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันถึงจะเดินปัญญาได้นี่หัดดูจิตดูใจนะ่าจะได้สมาธิทั้งสองประเภทเลยนะอยากต้องการความสงบเหรอต้องการพักผ่อนเหรอจับเข้าไปในอารมณ์ที่สบายอันเดียวนะต้องการเจริญปัญญานะรู้สึกตัวขึ้นมาจิตไหลแล้วรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมา เรียนที่จิตอันเดียวนะพลิกแแปลงได้เยอะเรียนที่จิตก็มีศีลถ้ารู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นมาเรารู้ทันนะกิเลสไม่ครอบจิตก็ได้ศีลนะเรียนรู้เรื่องจิตถ้าจิตไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวได้สมาธิได้สมถาะาสมาธิชนิดที่ทำสมถะนะถ้าจิตฟุ้งซ่านไปไหลไปไหลมาไหลไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวก็ได้ไหลบิคิดก็ได้สเปสปะไปในอารมณ์ต่างๆนา น, นาก็ได้ ถ้าเรารู้ทานจิตที่ไหลไปเนี่ยเราจะได้ความตั้งมัน่นได้สมาธิชนิดที่จะใช้เจริญปัญญานะสมาธิเราควรจะฝึกให้ได้ทั้งสองแบบเพราะเจริญปัญญารวดเดียวนะถึงจุดหนึ่งก็หมดแรงหมดแรงแล้วเจริญปัญญาได้ไม่จริงไม่ดีนะก็ต้องพักผ่อนไม่ใช่เจริญปัญญารวดไปเลยเลยอย่างนั้นไม่มีแรงพอนะนี่ดูจิตอย่างนี้เกิดศีลดูจิตอย่างนี้ได้สมาธิสองประเภท ดูจิตยังไงให้เกิดปัญญาการดูจิตดูใจให้เกิดปัญญาการดเจริญปัญญาไม่จําเป็นต้องดูจิตดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูความปรุงแต่งของจิตที่เรียกว่าดูจิตดูจิตนั้นในความเป็นจริงคือดูความปรุงแต่งของจิตก็ได้ดูกระบวนการทํางานของจิตก็ได้กระบวนการทํางานของจิตเรียกว่าธรรมธรรมานุปัสสนาเนี่ยเป็นกระบวนการทํางานของจิตนะ จิตปรุงนิวรณ์ทําไมจิตปรุงนิวรณ์นะทำไงจิตไม่ปรุงนิวรณ์รู้กระบวนการโพชฌงเป็นยังไงนะทำไงโพชฌงเกิดทําไงโพชฌงไม่เกิดเนี่ยรู้กระบวนการนี่เป็นธรรมานุปัสสนารู้อริยสัจทําไมทุกเกิดทําไมทุกไม่เกิดเนี่ยอันนี้เป็นธรรมานุปัสสนาถ้าดูกายก็ได้นะจะเจริญปัญญาด้วยการดูกายก็ได้ ถ้าเห็นกายแสดงไตรลักษณ์ก็เรียกเจริญปัญญาด้วยการรู้กายถ้าเห็นเวทนาแสดงไตรลักษณ์ก็ใช้เวทนานะนะั่นแหละทำวิปัสสนานะจเจริญปัญญาถ้าเห็นจิตปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายไปนะรู้ทันความปรุงของจิตไปนี่ใช้จิตเป็นวิหารธรรมเป็นจิตตานุปัสสนาถ้ารู้กระบวนการทำงานของจิตนะก็จเป็นธรรมานุปัสสนานะอะไรก็ได้ นะการเจริญปัญญาเนี่ยไม่จำเป็นต้องดูจิตเสมอไปแล้วแต่ถนัดนะแต่การทำสมาธิทิ้งจิตไม่ไดนะ้เพราะในบทเรียนเรื่องการทำสมาธินะพระพุทธเจ้าเรียกชื่อตรงๆหรือว่าจิตศิกขาเรียนเรื่องจิตนะเราได้สมาธิสองแบบนะส่วนการเจริญปัญญานะดูไกาก็แสดงไตรลักษณ์ดูเวทนาก็แสดงไตรลักษณ์ดูสังขารจิตสังขารก็แสดงไตรลักษณ์ นะดูกระบวนการทํางานของจิตเขาก็แสดงไตรลักษณ์ให้ดูนะอย่างนิวรณ์เนี่ยสั่งไม่ให้เกิดนะถ้ามีเหตุนิวรณ์ก็เกิดห้ามมันไม่ได้ควบคุมไม่ได้นะพวชงเนี่ยถ้าเราทําเหตุของพวชงแล้วพวชงก็เกิดเนะี่ยเราสั่งไม่ได้เราบังคับไม่ได้เห็นไตรลักษ์เหมือนกันรวมความแล้วก็คือการเจริญปัญญานะั้นจะดูกายเวทนาจิตธรรมได้ทั้งนั้นเลยแต่ที่สําคัญต้องเห็นไตรลักษ์ ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานมิปัสสนากรรมฐานต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเห็นแต่ร่างกายหายใจอยู่เดี๋ยวไปดูเห็นร่างกายหายใจไปดูนิ่งเฉยอยู่งั้นไม่ใช่วิปัสสนานะเห็นแต่กายเฉยเป็นสมถะแต่ถ้าเห็นเลยร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้เป็นของบังคับไม่ได้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุ อย่างนี้เป็นวิปัสสนาแต่ไม่ใช่คิดเอานะเป็นความรู้สึกเอาไม่ใช่คิดเอานะงั้นจุดสําคัญของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ใช่ว่าดูอะไรดูรูปก็ได้ดูนามก็ได้รูปธรรมก็ได้นามธรรมาก็ไดนะ้ในกายก็เป็นตัวรูปธรรมใช่ไหมเวทนาเป็นนามธรรมาจิตเป็นนามธรรมาตัวธรรมานุปัสสนามีทั้งรูปธรรมและนามธรรมานะรักคนกันอยู่นะดูอะไรก็ได้แต่ต้องเห็นไตรลักษ ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสนาไม่ใช่การเจริญปัญญานะนั้นเวลาดูกายเราจะดูลงปัจจุบันเนี่ยต้องรู้วิธีดูดูกายดูลงปัจจุบันขณะร่างกายกําลังเคลื่อนไหวปากเรากําลังปะงับปะงาบเนี่ยรู้สึกลงปัจจุบันนะเห็นเลยร่างกายนี้มันกําลังอ้าปากงาบังบงๆอยู่นีนะ่ร่างกายกําลังเคลื่อนไหวเห็นเห็นได้สดสดร้อนๆ ร, รู้สึกอยู่สด ส, ดสดร้อนร้อนะดูไปเรื่อยมันจะเห็นมันไม่มีน้ําหนักขึ้นที่ใจนะ ถ้าไปดูร่างกายแล้วก็เกิดน้ำหนักขึ้นที่ใจอันนี้แสดงว่าไม่ได้ไปรู้กายหรอกแต่ไปเพ่งกายนะถ้าเพ่งเมื่อไหร่น้ำหนักจะเกิดนะถ้ารู้เนี่ยไม่มีน้ำหนักเกิดขึ้นที่ใจใจจะโปร่งโล่งเบาเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจก็โล่งไปนะนั่นเราสังเกตะนะถ้าทื่อๆขึ้นมาแน่นๆขึ้นมาแสดงว่าไม่ได้รู้เอาหรอกแต่ไปเพ่งเอาไปจ้องเอานะนั่นเราเวลารู้กายเรารู้ลงปัจจุบันไปแต่ถ้ารู้จิตเนี่ย รู้ตามหลังไปติดๆเช่นเราโกรธขึ้นมาในขณะที่รู้ว่าโกรธเนี่ยเป็นคนละขณะกับขณะที่โกรธในขณะที่โกรธนั้นไม่มีสติเพรโกรธไปแล้วปับ๊บสติเกิดทํางานที่มาเห็นเลยจิตดวงตะกี้นี้โกรธอยูนะ่เป็นจิตคนละดวงกันดังั้นการดูจิตเนี่ยไม่เหมือนดูกายดูกายจะลงปัจจุบันขณะดูจิตนี่จะเป็นปัจจุบันสันตติสันตติคือความสืบต่อกับปัจจุบันนะเป็นความสืบต่อ กับปัจจุบันไม่ได้ดูพอดีเป๊ะๆ แ, แต่จะตามหลังแต่ตามไปติดๆนะไม่ใช่โกรธเมื่อวานวันนี้รู้เนี่ยใช้ไม่ได้นะขับรถอยู่เขาปาดหน้าโกรธขึ้นมาปุ๊บเรามีสติรู้ลงไปตรงที่มีสติรู้ว่าโกรธเนี่ยเป็นจิตคนละดวงกันนะแต่ว่าหัดทีแรกเรายังไม่เห็นว่าเป็นจิตคนละดวงนะค่อยๆฝึกไปเราจะพบเลยจิตที่โกรธก็ดวงหนึ่งจิตที่รู้ว่าโกรธก็เป็นอีกดวงหนึ่ง ถ้าคนไหนได้ฝึกจนกระทั่งเห็นว่าจิตมันเป็นโคลาดวงนะเรียกว่าสันติขาดนะสันติขาดเนี่ยขึ้นมีปรัสนาที่แท้จริงล้นะพวกเราคนไหนเมื่อวานหลวงพ่อเทศที่ส่วนสันติธรรมถามนะว่าโยมคนไหนเห็นว่าจิตวิ่งไปวิ่งมาได้บ้างนะเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปคิดวิ่งไปดูแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปฟังแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปคิดแล้วก็วิ่งกลับมา ใครเห็นแบบนี้ได้บ้างใครเคยเห็นยกมือให้หลวงพ่อดูซิแก้งง่วงมีไหมยกมือให้ดูหน่อยนี่เราเห็นจิตวิ่งไปวิ่งมาได้นะใครเคยเห็นว่าจิตที่ดูเกิดแล้วก็ดับจิตที่ฟังเกิดแล้วก็ดับจิตที่คิดเกิดแล้วก็ดับตรงนี้ใครเห็นบ้างมีไหมใช้ได้นะเพราะน้อยกว่าตะกี้ถ้าบอกว่าเห็นจิตวิ่งไปวิ่งมาสิบคน แต่เห็นจิตเกิดดับทางทวารต่างๆ20สิบคนอันนี้หลอกกันชัดๆัดเลยเพราะก่อนที่เราจะเห็นจิตเกิดดับทางทวารต่างๆนะเราจะรู้สึกว่าจิตน่ะวิ่งไปวิ่งมาตรงที่เราเห็นว่าจิตวิ่งไปวิ่งมาเราจะรู้สึกจิตมีดวงเดียวจิตมีอยู่ดวงเดียวแหละเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปคิดะตัวนี้เรายังไม่เห็นว่าจิตเกิดดับแต่ถ้าเราเห็นว่าจิตที่ไปดูเป็นดวงหนึ่งนะจิตที่มาคิดเป็นอีกดวงหนึ่ง จิตที่ไปฟังเป็นดวงนึงจิตที่มาคิดเป็นอีกดวงหนึ่งเรียกว่าสันตติขาดแลถ้าสันตติขาดเราขึ้นวิปัสสนาจริงๆมันบางคนนะแวบเดียวเท่าน่ะเห็นตรงนี้นะใช้เวลาไม่นานเลยก็ล้างความเห็นผิดว่าจิตเป็นอัตตาตัวตนได้นะถ้าล้างความเห็นผิดว่าจิตเป็นอัตตาตัวตนได้เป็นพระโสดาบันละถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราจะเห็นว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่ใช่เรา ถ้าเมื่อไหร่หมดความยึดถือจิตก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกนี้อีกนะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราได้เป็นพระโสดานะหมดความยึดถือจิตได้จะเป็นพระอระหันตนะ์เขาไม่ยึดถือจิตสักอย่างเดียวก็จะไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกยึดจิตอันเดียวก็จะยึดทุกสิ่งทุกอย่างมาตามมาทีหลังนะนี่นเราคอยมาหัดนะหัดเจริญปัญญา คนไหนถนัดดูกายก็ดูกายเห็นกายแสดงไตรลักษณ์คนไหนดูเวทนาถนัดรู genetics, ้เวทนาก็เห <im> ็นเวทนาแสดงไตรลักษณ์คนไหนจะดูจิตนี่ดูจิตเพื่อให้เกิดปัญญานะคนไหนจะหัดดูจิตให้เกิดปัญญานะก็ต้องเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์นะบางคนดูว่าจิตเกิดดับเนี่ยดูยากจิตเกิดที่ตาแล้วดับจิตเกิดที่หูแล้วดับจิตเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจแล้วดับดูยากนะเพราะไปดูผ่านอายตนะไปยิงอายตนะ มันมีวิธีดูที่ง่ายกว่านั้นดูความปรุงแต่งของจิตจิตจะต้องเกิดร่วมกับเจตสิกเสมอจิตจะไม่เกิดเดี่ยวเดี่ยวแต่จิตจะต้องเกิดร่วมกับเจตสิกเจตสิกได้แก่อะไรได้แก่เวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกขนะ์รู้สึกเฉยเฉยสัญญาคือความจำได้ความหมายรู้สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วจิตจะเกิดลายๆไม่ได้ต้องเกิดร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารเสมอ จิตทุกชนิดเลยต้องเกิดร่วมกับพวกนี้นี่เราจะดูจิตว่าจิตเกิดดับเนี่ยเราดูตัวจิตตรงๆไม่ได้เราอาศัยดูผ่านเจตสิกนะเช่นเราเห็นว่าจิตที่มีราคะเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเออจิตมีราคะเมื่อกี้จิตมีราคะนะเอาหายไปแล้วกลายเป็นจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันนะดูมันไปจิตที่มีโทสะก็ดับนะเกิดจิตไม่มีโทสะเนี่ยเราเห็นว่าจิตมีสองแบบละ จิตที่มีกิเลสกับจิตที่ไม่มีกิเลสนะพลิกกลับไปกลับมากลับไปกลับมาจิตสองอันนี้ไม่เหมือนกันเราเริ่มเห็นว่าจิตสองดวงนี้ไม่เหมือนกันจิตที่มีราคะกับจิตที่ไม่มีราคะเนี่ยไม่เหมือนกันจิตที่มีโทสะกับจิตที่ไม่มีโทสะเนี่ยไม่เหมือนกันจิตที่ฟุ้งซ่านกับจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยไม่เหมือนกันนี่แหละการดูจิตจริงๆเขาดูกันตรงนี้นะที่บอกว่าดูจิตดูจิตไม่ใช่ดูตัวจิตตรงๆนะแต่ดูผ่านเจตสิก นะถ้าไม่ผ่านเจตสิกก็ไปผ่านอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นในะจิตที่เกิดที่ตาก็เป็นดวงหนึง่งเกิดที่หูก็ดวงหนึง่งนะจิตที่สุขก็ดวงหนึง่งจิตที่ทุกข์ก็ดวงหนึง่งจิตที่เฉยเฉยก็เป็นอีกดวงหนึง่งนการเห็นดูจิตเนี่ยเราดูผ่านตัวอื่นไม่ใช่ดูตัวจิตตรงๆจิตตรงๆดูไม่ได้นะนี่หลวงพ่ออ้างอิงหลวงปู่ดูลด้วยนะไป็นเทพวัดบูรณนะ หลวงปู่สอนหลวงพ่อมานะว่าอย่าใช้จิตสแสวงหาจิตหาอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอนี่พูดถึงขนาดนี้นะแล้วท่านสอนอะไรท่านบอกให้ดูจิตท่านบอกสั้นๆเรามาหัดดูอยู่ไม่กี่เดือนนะท่านก็โอเคเลยท่านว่าใช้ได้ละที่หัดดูก็คือดูความเปลี่ยนแปลงของจิตนี่เองเดี๋ยวก็มีราคะเดี๋ยวก็ไม่มีเดี๋ยวมีโทสะเดี๋ยวก็ไม่มีเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหูเดี๋ยวก็สงสัยนะเดี๋ยวก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่หดหูไม่สงสัย เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายมุนอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะดูความเปลี่ยนแปลงนะดูความปรุงแต่งนี่แหละคือการดูจิตหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลดูจิตก็สอนอย่างนีนะ้นี่พูดอ้างอิงต่อหน้าพระอุปัชฌาย์เลยนะท่านเป็นคนทําประวัติหลวงปู่เลยนะนะบอกหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลบอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอานิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยง สเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาหลวงปู่ดุลมาดูตรงนี้นะแล้วหลวงปู่ดุลเกิดรู้แจ้งอริยสัจแห่งจิตขึ้นมาที่ว่าดูจิตดูจิตเลยไม่ใช่ไปดูจิตตัวตรงๆบางคนไปดูจิตนะไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างหลวงปู่ดุลไม่ได้สอนอย่างนั้นนะแต่ว่ามีการสอนอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าอะไรการดูจิตมีหลายระดับใช่ไหม ดูจิตในระดับเพื่อให้เกิดศีลดูจิตในระดับให้เกิดสมาธิดูจิตให้ระดับในเกิดปัญญาอย่างคนที่จิตฟุ้งซ่านมากไปหาหลวงปู่ดูลบางคนหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตเพื่อให้เกิดสมถะนะให้ทําสมถะด้วยการดูจิตเพราะฉะั้นอย่างท่านให้ดูจิตไปพอจิตฟุ้ดโทไปเรื่อยนะแล้วก็ดูจิตไว้พอความคิดนึกปรุงแต่งเกิดขึ้นให้ปัดทิ้งไปเลยนะไม่เอาความปรุงแต่งนะประคองจิตให้นิ่งให้ว่างหลวงปู่ดูลสอนแบบนี้ไว้บ้างไหมสอน แต่สอนสําหรับคนที่จะใช้ทําสมถะกรรมฐานนะถ้าจะสอนคนที่จะเดินปัญญาท่านจะสอนให้เห็นความแปรปรวนความเกิดดับของจิตซึ่งจิตที่มีราคะเกิดแล้วก็ดับจิตที่มีโทสะเกิดแล้วดับนะไม่ใช่สอนให้ดูตัวจิตนิ่งๆว่างๆอันนั้นเป็นคําสอนในขั้นสมถะกรรมฐานอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยการดูจิตมันทําได้ตั้งแต่ขั้นให้เกิดศีลให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญานะมีหลายระดับนะไม่ใช่มั่วๆ เห็นว่าหลวงปู่โดลสอนไปจดกันมานะบอกหลวงปู่โดนสอนบอกให้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างนี่แหละวิธีดูจิตก็คือประคองจิตให้นิ่งให้ว่างไม่ได้ไปดูว่าท่านสอนใครสอนเพื่ออะไรเป็นคําสอนระดับไหนนั้นมันคําสอนเรื่องดูจิตดูจิตมีหลายระดับนะถ้าสอนให้รักษาจิตให้นิ่งให้ว่างอันนั้นสอนเพื่อให้ทําสมถะกรรมฐานนะถ้าสอนพุทโธพุทโธแล้วก็เห็นจิตซึ่งเป็นผู้รู้พุทโธ นี่สอนให้จิตตั้งมัน่นเห็นไหมสอนให้ว่าพุโทโธแล้จิตมันจับตัวพุโทโธได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาอันนี้สอนให้จิตตั้งมัน่นเป็นอีกแบบหนึง่งนะงั้นบางคนมานั่งเถียงกันนะว่าหลวงปู่ดูลสอนดูจิตอย่างนั้นสอนดูจิตอย่างนี้ทําไมไม่เหมือนกันเพราะว่ามันระดับแตกต่างกันนะคนละระดับกันถ้าเราแยกออกนะเราฟังเข้าใจหลักของการปฏิบัติให้ต่องแท้เราจะรู้เลย ครูบาอาจารย์พูดตรงนี้เนี่ยเป็นธรรมะระดับไหนพูดตรงนี้เป็นธรรมะระดับไหนนะในขั้นของการเจริญปัญญาไม่ใช่การประคองจิตให้นิ่งให้ว่างแต่จะต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตนะเหมือนหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลก็สอนให้เห็นไตรลักษณ์นั่นเองทําไมสอนสัพเพสังขาราสัพทสัญญาอนิจจาสัพเพสังขาราสัพทสัญญาณัตตาสังขารมันปรุงใช่ไหมเพราะสังขารมันปรุงสัญญามันเข้าไปตีความนะ เสร็จแล้วก็จิตนะแต่ถูกสัญญาหลอกนะว่ามีตัวมีตนนะอย่างนี้ก็มีนะหรือบางทีสัญญามันเกิดขึ้นมาผุดขึ้นมาพอสัญญาผุดขึ้นมาสังขารก็ปรุงต่อนะจิตก็มีตัวมีตนนะอย่างนี้ก็มีอย่างอยู่ๆเรานึกถึงหน้าคนคนหนึ่งไม่ได้เจตนาจะนึกใครเคยเป็นไหมอยู่ๆหน้าคนนี้ปลุกขึ้นมามีไหมไม่ได้เจตนานสัญญามันผุดขึ้นมานะถัดจากนั้นเราจะคิดต่อนึกออกไหมโอ้ไอคนนี้ดีคิด หน้าคนนี้โผล่ขึ้นมานะความรู้สึกรักเกิดขึ้นหน้าคนนี้โผล่ขึ้นมาความรู้สึกเกลียดเกิดขึ้นความรู้สึกรักความรู้สึกเกลียดเนี่ยคือตัวสังขารนะอาศัยสั ญ, ญญานะก็ปรุงสังขารขึ้นมาพอมีสังขารขึ้นมาสัญญาเข้าไปหมายอีกนะไปหมายซ้ําลงไปเช่นเห็นคนที่เรารักเกิดขึ้นมาความรักเกิดขึ้นนะสัญญาไปหมายผิดๆว่าเนี่ยเป็นคนจริงๆนะเป็นคนจริงๆขึ้นมานี่ลงล้สัญญาวิปัสสาอีกล้ นะั้นมันหลอกกันไปหลอกกันมานะสัญญานี่เป็นตัวหลอกลวงที่ร้ายกาศที่สุดเลยหลอกให้จิตคิดก็ได้หลอกให้จิตคิดไปแล้วหลงผิดไปเลยก็ได้นะมันหลอกได้สารพัดเลยแต่พอเรารู้ทันรู้ทันเราจะเห็นเลยจิตนี้ปรุงแต่งตลอดเวลานะสัญญาจะเกิดห้ามได้ไหมสังขารจะเกิดห้ามได้ไหมอย่างความจํามันจะผุดขึ้นมาห้ามได้ไหมเคยไหมอยากให้จําแล้วมันไม่ยอมจํานึกใหญ่ไอ้คนนี้ชื่ออะไรวะ คนนี้ชื่ออะไรวะนะใครเคยเป็นยกมือให้ดูสิมีไหมเห็นไมกระทั่งเด็กเดกหนุ่มสาวก็เป็นน ะ, ะเห็นหน้าแฟนเรารู้ว่าแฟนนะชื่ออะไรวะคนนี้เห็นไมเนี่ยสัญญาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงเนี่ยตอนนี้เราเห็นง่ายนะตอนเลือกตั้งนะเขาติดรูปไปเยอะใช่ไหมมีรูปเยอะตอนนี้รูปปังอันนี้จังรูปไม่เที่ยงรูปหายไปแล้ว ถัดจากนี้ดูนโยบายสัญญาจะไม่เที่ยงละไอ้ที่สัญญาไว้หายหมดเลยแต่มันคนละอันกันนะนี่หลวงพ่อพูดแก้งง่วงหรอกพูดธรรมะล้วนๆเดี๋ยวง่วงสัญญาเป็นความจําได้หมายรู้นะไม่ใช่พันธะสัญญาอย่างโลกๆอย่างจําได้ว่านี่สีเขียวนี่สีเหลืองนี่นสีเขียวแปลว่าอย่างนี้สีเหลืองแปลว่าอย่างนี้นจําได้หลายสเต็ปอันแรกจําได้ว่าเนี่ยสีเขียว นี่สัญญาระดับที่หนึ่งสัญญาระดับที่สองแปลเป็นสั ญ, ญลักษ์ต่อสีเขียวแปลว่าให้ไปได้นี่สัญญาทั้งสิ้นเลยสัญญาอีกแบบหนึ่งก็จะไปมองว่าเป็นการเป็นมุมมองของจิตนะนะเห็นว่าไอ้นี่เที่ยงไอ้นี่เป็นสุขอ้นี่เป็นตัวเรานี่ก็เป็นสัญญาที่เปลี่ยนๆนั้นะสัญญามันจะทำงานสังขารมันจะทำงานสั่งมันได้ไหมจิตจะโกรธห้ามได้ไหมเออ โกรธแล้วไล่มันมันไม่ไปรู้สึกไหมคนไหนเคยเศร้าใจเคยเสียใจไหม อ, อกหักอะไรเงี้ย อ, อกหักแล้วเศร้าใจอยากให้หายหายไหมไม่หายจนเราเติเวลาที่ อ, อกหักนะเรานึกว่าเราคงต้องเศร้าทั้งชาติผ่านมาไม่นานเลยก็ลืมไปแล้วหายแล้ว อ, อกหักหายแล้วเพราะอะไรเศร้าใจก็ไม่เจียงเห็นไหมความเศร้าใจนี่ยเป็นสังขาร เนี่ยหัดดูไปนะจะเห็นในความปรุงแต่งทั้งหลายของจิตนะเป็นของไม่เที่ยงนะจะปรุงดีก็ไม่เที่ยงจะปรุงร้ายก็ไม่เที่ยงจะปรุงสุขก็ไม่เที่ยงจะปรุงทุกข์ก็ไม่เที่ยงสัญญานะสังขารเวทนาเนี่ยรุ่นแต่ของไม่เที่ยงนะจิตที่เกิดร่วมกับสัญญาสังขารเกิดร่วมกับเวทนาก็เลยไม่เที่ยงไปด้วยนะเกิดดับไปด้วยกันจิตที่สุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่ทุกข์เกิดแล้วดับนี่แหละคือการดูจิตให้เกิดปัญญา ไม่ใช่ไปดูจิตประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอันนั้นเป็นการทำจิตให้มีสมถะนะถามว่าหลวงปู่ดูลเคยสอนไหมเคยสอนบางคนให้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างสำหรับคนซึ่งยังไม่ทำสมถะนะถ้าทำสมถะมาแล้วเนี่ยท่านสอนให้ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเหมือนที่หลวงปู่มั่นสอนท่านมาสุดท้ายท่านก็เกิดปัญญานะสังขารทั้งหลายเนี่ยมันจะปรุงมันก็ปรุงนะห้ามมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้ มีแต่เรื่องควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เท่านั้นเลยนะมีแต่ของไม่เที่ยงนะมีแต่ของทนอยู่ไม่ได้เนี่เห็นไตรรักเห็นซ้ําแล้วซ้ำอีกซ้ําแล้วซ้ำอีกนะหรือเวทนาก็เหมือนกันมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของทนอยู่ไม่ได้มีแต่ของบังคับไม่ได้สั่งให้สุขมันก็ไม่ฟังนะใจมันจะทุกข์เนี่ยสั่งให้มันเลิกทุกข์มันก็ไม่ฟังสั่งให้มันมีความสุขมันก็ไม่ฟังทําอะไรไม่ได้ซะกั้นการที่เราคอยรู้ขันทั้งหลายนะเห็นจิต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 จิต <là> แต like <Conan> ่ละอย่างแต่ละอย่างเช่นจิตที่มีความสุขก็ทนอยู่ไม่ได้นานอยู่ได้ชั่วคราวก็หายไปนี่เรียกว่ามันเป็นทุกขังมันทนอยู่ไม่ได้จิตที่มีความทุกข์เองก็ทนอยู่ไม่ได้อยู่ได้ชั่วคราวก็หายไปก็เรียกว่ามันเป็นทุกข์ขังจิตที่โลภขึ้นมาก็อยู่ได้ชั่วคราวทนอยู่ต่อไปนานๆไม่ได้ก็หายเหมือนกันเรียกว่ามันมีทุกขังนะทุกขังก็ว่าทนอยู่ไม่ได้แล้วมันจะเป็นดีมันจะสุขมันจะทุกข์มันจะดีมันชั่วสั่งไม่ได้ สั่งไม่ได้เรียกว่าอนัตตานี่แหละหัดดูจิตแล้วเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตถึงจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานนะถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนานะเพราะงั้นในขั้นเจริญปัญญาเนี่ยต้องเห็นไตรลักษณ์ถ้าจะดูจิตก็ต้องเห็นไตรลักษณ์ของจิตเห็นเลยจิตที่เป็นมีสุขไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตที่เป็นทุกข์ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ จิตโลภจิตโกรดจิตหลงก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตที่เป็นกุศลก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตทุกชนิดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เรียกว่าดูจิตให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาก็คือเกิดความเข้าใจและยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยชั่วคราวนะทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นทุกอย่างทนอยู่ไม่ได้ทุกอย่างมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้คําว่าอนัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลย บางคนจะดูจิตให้เป็นอนัตตาแล้วไปทําจ no ิตว่างๆบางนีจิตเป็นอนัตตาว่างๆอย่างนั้นไม่ใช่อนัตตาอนัตตาไม่ได้แปลว่าว่างๆอนัตตามันว่างจากความมีตัวมีตนว่างจากความอมตะถาวรไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยแล้วเป็นอนัตตาอย่างเห็นขันห้าเป็นอนัตตาเลยไม่ใช่เห็นขันห้าเป็นว่างๆขันห้าว่างหนึ่งไม่ใช่นะ คำว่าอนัตตากับว่างๆคนละเรื่องกันอนัตตานี่ถ้ามีเหตุมันก็มีถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีหมายถึงเราบังคับมันไม่ได้สิ่งทั้งหลายเป็นไ ป, นปนตามเหตุถ้ามีเหตุมันก็เกิดถ้าไม่มีเหตุมันไม่เกิดมันมีเหตุมันเกิดมดแล้วมาแล้วพอหมดเหตุมันดับไปเราห้ามไม่ได้การที่ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอมตะถาวร น, นี่แหละคือคำว่าอนัตต์ งั้น <Spain. S 1> บางคนมักง่ายนะอนัตตาแปลว่าไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐินะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนความสุดโต่งสองด้านสุดโต่งสองด้านก็คือขันธ์ทั้งหลายเนี่ยมีอยู่ถาวรกับขันธ์ทั้งหลายไม่มีอยู่เลยหรือขันธ์ทั้งหลายขาดศูนย์พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนี้นั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งสิ้นเลยถ้าเห็นว่าขาดศูนย์นัเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออุเฉททิฏฐิถ้าเห็นว่าไม่มีอะไรเลยนะเป็นนัตถิกาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกชนิดหนึ่ง ถ้าเห็นว่ามีถาวรนะเป็นสัสตสถาะทิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นถ้าไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะเห็นว่าถ้ามีเหตุก็มีถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มนะีเราสั่งไม่ได้ทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุนี่ธรรมะอยู่ตรงนี้นะมันจะหลุดออกจากความสุดโต่งสองด้านระหว่างความมีกับความไม่มีถ้ามีเหตุก็มีถ้าไม่มีเหตุไม่มีอย่างตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญนะเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งสองฝั่งเลยตายแล้วเกิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะ ตายแล้วศูนย์ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วที่ถูกเป็นยังไงถ้ายังมีเหตุอยู่ก็ยังเกิดอยู่ถ้าไม่มีเหตุแล้วไม่มีเชื้อเหลือแล้วก็ไม่เกิดนะเพราะงั้นไม่ใช่ว่าสุดโต่งไปข้างมีหรือข้างไม่มีนะต้อเรมามันระวังมากเลยนะมิจฉาทิฏฐิเต็มบ้านเต็มเมืองเรานะแทรกเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนาของเรานี่เต็มไปหมดเลยพวกเราชาวพุทธต้องเรียนให้ดีต้องศึกษาให้ดีไม่งั้นเราจะพลาดนะอย่างรู้สึกไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอย่างนี้ ไปอยู่กับความว่างเพระพาะพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราอยู่กับความว่างนะไปอยู่กับความว่างไม่พ้นทุกข์หรอกเพราะความว่างเป็นภพภพหนึ่งนะต้องมารู้ขันนะต้องเรียนรู้ทุกข์นะเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามนี้แหละเห็นขันท่านี้แหละล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเห็นซ้ําแล้วซ้ำอีกนี่เรียกว่าทำมิปัสนาเรียกว่าเจริญปัญญาอยู่นะเพราะฉะนั้นจะดูจิตให้เกิดปัญญาไม่ใช่ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างนะไม่ใช่โน้มจิตเป็นอยู่ในความว่าง ไม่ได้ปัดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทิ้งไปเพื่อให้จิตว่างไม่ใช่ทำอย่างนั้นแต่รู้ทันเลยนะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะจิตทุกชนิดที่เกิดขึ้นไม่เที่ยงจิตทุกชนิดที่เกิดขึ้นเป็นทุกจิตทุกชนิดที่เกิดขึ้นนั้นบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจนะเนี่ยเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเราจะเข้าใจอริยสัจหลวงปู่ดูล น, นี่แหละเรียนจากหลวงปู่มั่นสัพเพสังขาราสัพพสัญญา อ, อนิจจาเห็นไหมเรียนเรื่อง อ, อนิจจาเห็นไหม อะไรอนิจจาสังขารสัญญาอนิจจาเห็นไหมสพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาไม่เรียนเรื่องอนัตตาเขาเรียนเรื่องไตรลักษณ์นั่นแหละนะเรียนสังขารเรียนสัญญาเป็นไตรลักษณนะ์ถ้าจะพูดให้เต็มสูตรนะก็ต้องมีเวทนาอีกตัวหนึ่งแต่ว่าหลวงปู่มั่นท่านฌานฉลาดท่านพิจารณาแล้วว่าหลวงปูดูลเรียนแค่สองตัวนี้ก็พ้นแล้วท่านก็สอนสองตัวนี้นะแต่ไม่ใช่มีแค่สองตัวนะมีตัวที่สามคือตัวเวทนาด้วยนะ แต่แล้วแต่แต่ละคนเรียนไม่ต้องเท่ากันไม่เหมือนกันหรอกนี่หลวงปู่ดูลดูสังขารมันทํางานแล้วก็เห็นเลยสังขารกับสัญญามันทํางานนะเนี่ยแล้วจิตก็เข้าไปหมายขึ้นมาสัญญาแหละไปหมายก็มีตัวมีตนมีตัวมีตนก็มีทุกสังขารปรุงขึ้นมานะไม่หลงไปสําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนสัญญานั่นแหละเป็นตัวไปสําคัญมั่นหมายพอสังขารปรุงขึ้นมาสัญญาไปสําคัญมั่นหมายก็มีตัวมีตนมีตัวมีตนก็มีทุกษ นะท่านถึงเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาว่าถ้าสังขารทั้งหลายเนะี่ยมันปรุงนะแล้วก็สัญญาไม่เข้าไปไปหลงนะสัญญามันหลงผิดไปปรุงแบบหลงผิดไปตีความแบบหลงผิดก็ เ, เกิดตัวเกิดตนขึ้นมานะถ้าไม่ตีความแบบหลงผิดมีสัญญาที่ไม่วิปลาสนะความเป็นตัวตนไม่เกิดถ้าความเป็นตัวตนไม่เกิดที่ตั้งของความทุกข์ไม่มีนี่ท่านจะเห็นลึกซึ้งไปจนถึงตรงนี้เลยเมื่อไม่มีตัวเราขึ้นมาแล้ว ความทุกข์จะไปอยู่ที่ไหนความทุกข์ก็อยู่ที่ขันแต่ไม่ได้อยู่ที่เราเพราะเราไม่มีนะนี่นางความเข้าใจอริยศาสตร์แห่งจิตก็คือสุดท้ายทําลายความมีตัวมีตนไปทําลายความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนนะทาลายความยึดถือว่ามีตัวมีตนไปพอมันว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเนี่ยสุญญตาไม่ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยแต่ว่างเปล่าจากความมีตัวมีตนนะ อนัตตาก็คือมันไม่มีตัวมีตนสุญญตาจริงๆก็คือว่างจากความมีตัวมีตนมันมีตัวมีตนขึ้นมาเพราะสัญญาเข้าไปหมายผิดๆสัญญามันไปหมายผิดๆเพราะไปหลงสังขารสังขารมันปรุงมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งขึ้นมาแล้วก็ไปหลงเช่นความโกรธเกิดขึ้นมาเราไปหมายผิดๆว่าเราโกรธความโลภเกิดขึ้นมาเราไปหมายผิดๆว่าเราโลภความความรักเกิดขึ้นมาไปหมายผิดๆว่าเรารัก แท้จริงความโลภเกิดขึ้นมาก็แค่สภาวะของความโลภจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ได้หมายผิดๆจะเห็นว่าไม่มีเราโกโรธไม่มีเราโลภไม่มีเราหลงไม่มีเราแก่ไม่มีเราเจ็บไม่มีเราตายนะงั้นเราฝึกไปด้วยในสุดเราทำลายสัญญาที่วิปรลาดได้นะแต่ไม่ใช่ทำลายสัญญานะถ้าทำลายสัญญาเนี่ยเห็นไฟเขียวก็ไม่รู้ว่าไฟเขียวก็ขับรถนะจอดลูกเดียวเลยนึกว่าไฟแดงเนี่ย อย่างนี้ก็วิปลาดเหมือนกันแต่วิปลาดอย่างโรคๆแล้วต้องไปหาจิตแพทย์แล้วอย่างนั้นงนั้นเราฝึกนะวันหนึ่งเราจะทํำลายความวิปลาดสัญญาที่วิปลาดชอบตีความอะไรให้มันมีตัวมี ต, มตนขึ้นมานะางั้นหัดดูจิตนะถ้าดูเป็นนะก็จะเห็นเลยนะจิตทั้งหลายไม่เที่ยงจิตทุกชนิดแหละไม่เที่ยงจิตทุกชนิดเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้จิตทุกชนิดไม่ใช่ตัวใช่ตนนะอย่างนี้เรียกว่าเดินปัญญานะ ดูจิตอย่างนี้เห็นไตรลักษณ์ของจิตก็เรียกว่าเดินปัญญาด้วยการดูจิตเหลืออีกอันหนึ่งดูจิตยังไงเกิดบิมุตดดูจิตให้เกิดศีลก็รู้ทันกิเลสกิเลสครอบงำจิตไม่ได้มีศีลดูจิตยังไงให้มีสมาธิสมาธิมีสองแบบสมาธิสงบเนี่ยน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องจิตก็สงบดูจิตยังไงให้มีสมาธิตั้งมั่น ให้คอยรู้ฐานจิต ท, ที่ไหลไปไหลามาไหลไปเพ่งก็รู้ไหลวิคิดก็รู้นะถ้ารู้ฐานจิต ท, ที่ไหลจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาได้สมาธิชนิดตั้งมั่นดูจิตยังไงให้มีปัญญาก็ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแสดงไตร ล, ลักของจิตไม่ได้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างนะไม่ได้ไปรักษาจิตนะดูไตร ล, ลักถ้าไม่เห็นไตร ล, ลักษไม่เรียกว่าปัญญาแล้วทาไงดูจิตยังไงให้เกิดวิมุต ก็ดูจิตให้มีศีลมีสมาธิปัญญานั่นแหละถ้ามันพอนะศีลสมาธิปัญญาอัตโนมัติขึ้นมาจิตจะรวมเข้ามาที่จิตจิตจะรวมลงที่จิตนะแล้วจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจิตไม่ได้ใส่ใส่ออกไปรับอารมณ์ภายนอกแล้วจิตจะรวมเข้าที่จิตอันเดียวศีลเกิดที่จิตนะที่มีความเป็นปกติอยู่ขนาดนั้นแหละสมาธิก็คือตั้งมั่นอยู่ในขณะที่จิตนั่นแหละไม่ได้ไปตั้งมั่นโดยบังคับไว้ด้วย ศีลก็อัตโนมัติสติก็อัตโนมัติสมาธิก็อัตโนมัติปัญญาเห็นจิตมันแค่ทํางานไปไม่เข้าไปหมายว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานะเห็นจิตมันทํางานไหวๆอยู่ภายในมันจะไหวหๆขึ้นมาสองขนาดบ้างสามขนาดบ้างตรงนี้ไม่มีคําพูดเพราะไม่มีสัญญาเข้าไปหมายนะไม่มีการแปลมีแต่ความไหวหๆอยู่ภายในนะสองขนาดสาขนาดนะถัดจากนั้นนะจิตจะแหวกตัวเองออกอริยมรรคจะเกิดจะแวกสิ่งที่ห่อพุ่มจิตออกไป แม้มันมารวมลงที่จิตที่เดียวนี้แหละแล้วเวลาตัดตัดที่จิตที่เดียวนี้แหละนะเพราะงั้นจะชอบดูจิตไม่ดูจิตไม่สําคัญหรอกนะสุดท้ายจเจริญปัญญามาด้วยการดูกายก็ได้แต่เวลาที่อริยมรรคเกิดเกิดที่จิตนะงั้นเวลาโลกงปูดูลพูดว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคเนะี่ยอันนี้หมายถึงมรรคในขณะมรรคขยานเกิดนะมรรคขยานเกิดงั้นดูกายมาเรื่อยๆก็เรียกว่าจเจริญมรรคปฏิปทา นะแต่ตอนที่จะเกิดได้โสดาปฏิมรักสัคตาคามีมรักเกิดที่จิตนะโดยเฉพาะอารหัตมรักนะอรหัตมรัคเนี่ยเป็นความเห็นแจ้งจิตเห็นแจ้งว่าจิตนี้แหละเป็นทุกข์พระอนาคามียังไม่เห็นเลยว่าจิตเป็นทุกข์พระอนาคามีเห็นว่าจิตเป็นตัวสุขนะเพราะฉะนั้นพระอนาคามีเนี่ยถนอมรักษาจิตหวงแหนจิตยิ่งกว่างูจงอางหวงไข่นี่ครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้นะหลวงพ่อก็ไม่คุ้นกับงูจงอางไม่รู้มันหวงไข่แค่ไหนหรอก แต่ไขยุคนี้แพงเนาะก็คงหวงหน่อยอแต่ถ้าภาวนามาถึงขีดสุดนะเห็นนะตัวจิตเป็นตัวทุกข์เนี่ยเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งละเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็จิตนั่นแหละตัวทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้จะสลัดคืนจิตให้โลกนะจะสลัดคืนจิตให้โลกไม่ยึดถือจิตนั่นแหละมันจะเกิดสภาวะอีกชนิดหนึ่งคือเป็นธาตุรู้ขึ้นมาธาตุรู้เนี่ยไม่มีจุดมีดวงนะ ของเรารู้สึกไหมจิตมีกลุ่มมีก้อนมีจุดมีดวงมีขอบมีเขตนะพอเราสลัดตัวนี้ได้นะสลัดด้วยปัญญานะอย่านึกๆเอาสลัดส่งเดชไม่ได้นะสติแตกเลยนะ่ะรักษาจิตไว้ก่อนขั้นนี้อย่าเพิ่งไปทิ้งจิตเอาจิตไว้จะได้มีสีนอาจิตไว้จะได้มีสมาธิเอาจิตไว้จะได้เจริญปัญญานะอย่าเพิ่งทิ้งนะทิ้งมันค่อยทิงของมันเองตอนเป็นพระอรหันต์นะแล้วมันจะเป็นธรรมจะเป็นธรรมธาตุอันเดียวล้วนๆเลยนะนี่แหละเรื่องดูจิตละ พอไหวไหมอย่างน้อยต้องดูจิตให้มีศีลได้นะต่อไปนี้นะใครใครมีศีลรักษาง่ายขึ้นบ้างแล้วตอนนี้ใครรักษาศีลได้ง่ายขึ้นยกมือให้หลวงพ่อดูโหสาธุเลยนะแค่นี้หลวงพ่อก็ปลื้มแล้วนะพวกเรายุคนี้ยุคทุศีล น, นะพวกเรามีศีลนแค่นี้หลวงพ่อก็ปลื้มแล้วสมควรที่เราจะทนทู่ซีสอนต่อไป <laughs> ใครรู้สึกว่าทำสมาธิง่ายขึ้น จิตสงบง่ายขึ้นใครรู้สึกไหมใครแยกธาตุแยกขันได้แล้วบ้างยกมือซิแยกเป็นคราวๆนะไม่ได้แยกทั้งวันหรอกใครเคยแยกแวบๆสักทีสองทีมีไหมยกมือยกสูสูหน่อยยกเยอะๆไม่ใช่เอาเป็นหน้าม้านะยกอยู่แค่นี้ยกอย่างนี้เข้มแข็งหน่อยสิกลัวอะไรมีธรรมะอยู่กับตัวกลัวอะไรก็เหลืออันเดียวนะเหลือวิมุต เนี่ยดูจิตเรามีศีลรักษาศีลง่ายดูจิตเรามีสมาธิง่ายดูจิตเราเริ่มมีปัญญาแล้ว mm hmm. เห็นทุกอย่างไม่ธนะาตุขันมันแตกกระจายแยกออกไปกายส่วนกายจิตส่วนจิตนะเห็นกายมันทํางานไม่ใช่เราเห็นจิตมันไม่ใช่เรานะดูไปด้วยสุดท้ายวิมุติมันก็เกิดจนได้วเวลาเกิดเกิดที่จิตนะโดยเฉพาะขั้นสุดท้ายเนี่ยจะเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะนี่แหละคําสอนที่หลวงปู่ดูลสอนแล้วหลวงพ่อไปจํามานะ เรียบเรียงมาจากการที่ได้ฟังท่านน่ะนะเอามาประพฤติปฏิบัติดูไปส่งการบ้านท่านเรียนอยู่เจ็ดเดือนนะท่านให้สอบผ่านแล้วท่านบอกพึ่งตนเองได้ละแต่ถ้าประคองจิตให้นิ่งไปหาท่านกลับไปไปทำใหม่ไปทำให ม, <c oughs> ม่อ้าวเท่านี้ก็พอนะสี่สิบห้านาทคาาาีครับนมัสการครับหลวงพ่อ อยู่ไหนยังไม่เห็นนี่ครับผมส่งการบ้านนะครับจิตถึงฐานไหมอะไรนะครับจิตถึงฐานไหมตอนเนี้หรือจิตกว้างๆออกนอกจิตมันค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็ตื่นเต้นอครับมันตื่นเต้นก่อนหรือมันนิ่งก่อนสลับกันไปแล้วแต่ไปรู้ตอนไหนนะครับเก่งครับตอบอย่างนี้เลี่ยงได้ดีเลยเพราะมองไม่ทันว่าอันไหนเกิดก่อน อ้าาาวมนีช่วงหลังภาวนาเราก็เมื่อก่อนเป็นคนที่ยึดค่อนข้างเยอะครับอะไรเยอะนะยึดมั่นถือมั่นยึดตัวยึดตนเยอะมากแล้วก็ถึงจุดหนึ่งมันรู้สึกว่ามันมีแต่ทุกข์แล้วมันก็ปล่อยซึ่งพอมันปล่อยคือมันปล่อยหมดเลยครับคือภาวนาก็เลยไม่ค่อยได้ภาวนาหรือเห็นก็เห็นเบาๆนั่นแหละนะมันมากไปมันมากไปมันปล่อยเร็วไป เราอย่าไม่ได้รู้ทุกข์เขี่ยมแจ้งเลย<ม>เพราะฉะนั้นพยายามกลับมารู้สึกในกายในใจของเราบ่อยๆไม่งั้นมันจะไม่ยอมรู้ทุกข์ต่อไปนะจะทิ้งกายทิ้งใจใจะกว้างๆออกนอกไป<ม>การที่เราเห็นกายเห็นใจมันทํางานมาช่วงหนึ่งนะแล้วจิตเลื่อนออกไปนี่สว่างว่างอยู่อย่างนี้นะรู้สึกไหมมันสว่างสว่างว่างๆอยู่ตัวนี้เรียกว่าโอภาสเป็นวิปัสสนูปกิเลสตัวที่หนึ่ง มีสิบตัวนะแต่ไม่ต้องกลัวนะ<ม>ทุกตัวก็คือจิตมันออกนอกทั้งนั้นเลรา<ม>ะฉนั้นจิตตอนนี้ไม่ได้เข้าฐานจริงจิตสว่างว่างออกไปภายนอก<ม>ถ้าเรายินดีเราพอใจเราบางคนนึกว่าตัวเองเป็นพระอระหันต์เลยนะอยู่ตรงเนี้ยถ้าเรามีปัญญาเราเห็นว่ายังมีกิเลสอีกเพราะฉั้นเราพยายามย้อนมารู้กายรู้ใจเนืองเลืองนะดีถ้าภาวนาธรำวิปัสสนาเป็นนะจะต้องเจอวิปัสสนู ถ้าทำวิปัสนาไม่เป็นไม่มีวิปัสนูโนเพราะงั้นถ้าหลวงพ่อบอกว่าใครมีวิปัสนาโนนะต้องภูมิใจนะออไม่ใช่ประนามยามเหยียดนะออแต่ถ้าบอกมีนิมิตเนี่ยฟังแล้วลอยถ้วยมากในความรู้สึกเลยนะแต่ถ้าวิปัสนโนเนี่ยเริ่มเดินวิปัสนาล้เพียงแต่จิตเนี่ยไม่มีกำลังจิตไม่ตั้งมั่นถึงฐานจิตมันเคลื่อนออกไปไปหลงในความสว่างความว่าง ถ้าเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปหลงในความสว่างความว่างนีจิตจะทวนกระแสกลับเข้ามาตั้งมั่นได้อย่าจงใจดึงเข้ามาถ้าจงใจดึงเข้ามาจะแน่นแค่รู้ว่ามันออกนอกนะมันจะเข้ามาข้างในเองแค่รู้ว่ามันออกนอกดูออกไหมว่าออกนอ ก, ออกเออดูออกแล้วเดี๋ยวมันก็าหายละนะวิปัสสนูตัวนี้เราก็ผ่านวิปัสสนูที่เหลือก็แบบเดียวกันนี้แหละจิตออกนอกทั้งสิ้นเลย ครับแล้วก็อีกเรื่องนึ่งครับก็คือพอเวลาจะนอนอย่างเงี้ยครับเราจิตมันตั้งมั่นขึ้นมามันก็ไม่นอนนะครับคือจิตมันไม่หลับแต่ร่างกายมันเหมือนมันต้องการพักผ่อนอแต่ว่าจิตไม่ไม่ยอมหลับคือรจริงจรบางบทีร่างกายหลับนะร่างกายหลับนะั้นอนคลิ้งไปคลิ่งมาสั่งให้พลิกยังไม่ได้เลยแต่จิตนั้นมันตื่นคนทั่วๆไปเนี่ยจิตนอนไม่นานหรอก จิตต้องการพักเนี่ยไม่นานร่างกายต้องการพักหนางั้นเวลาเราภาวนาไปแล้วก็จิตมันตื่นก็ช่างมันร่างกายยังนอนอยู่ให้ร่างกายพักไปนะ mm hmm. ใจของเราก็รู้สึกสบายรู้สึกไปดูไปสบายสบายดูกายดูใจ mm hmm. ได้ภาวนาโต้รุ่งเลยมีความสุขมาก mm hmm. มเราเคยชินเท่านั้นแหละ mm hmm. เราเคยชิน mm hmm. ว่า mm hmm. เวลาหลับต้องไม่รู้เรื่อง ต้องเข้าระวังต้องหลงหลงฝันอะไรไปเรื่อยเืเรอยเอเธอเแล้วยิ่งดีซึ่งไม่ถูกต้องใช่ไหมครัไม่ใช่ไม่ถูกต้องใครๆก็เป็นอย่างนั้นแต่ผู้ปฏิบัตินะไม่ฝันหรอกจะเห็นเลยจิตคิดไม่ใช่ฝันถ้าจิตมันจะรู้ตัวหยุดทั้งหลับทั้งตื่นเลยยิ่งดีนะเคยได้ยินไหมเขาพูดกันบอกพระละหันไม่ฝันทําไมไม่ฝัน ก็จิตตื่นอยู่ตลอดจิตมันตื่นตอนจิตไม่ตื่นจิตก็ลงรวังแต่ว่าคิดไหมตอนที่ตื่นอยู่ตอนกลางคืนตอนร่างกายหลับที่จิตตื่นขึ้นมาจิตคิดไหมจิตยังคิดอยู่จิตที่คิดนั่นแหละคนทั่วๆไปเรียกว่าฝันคิดตอนหลับนะคนทั่วไปเรียกว่าฝันแต่พอเรามีสติเราจะรู้สึกว่าไม่ใช่ฝันแล้จิตไม่คิดเพราะงั้นถามว่าพระรหัะกลางคืนคิดไหม พระอาหารหันต์เนี่ยตอนกลางคืนตอนที่ร่างกายหลับเนี่ยคิดไหมก็คิดครับแนะแคิดไ ด, ได้ไม่ใช่คิด<ช>ไม่ได้แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปนะเรียกว่าฝันเพราะไม่มีสติอ้าวครั บ, รบต่อไปภาวนาไปหน้ายหนูภาวนาดีเชีล่ะกับนมัสการหลวงพ่อค่ะคือฟังซีดีมาประมาณปีกว่าๆแล้วค่ะแต่ว่าหลงอยู่เยอะมากก็ ไม่ค่อยคืบเลยแล้วก็พึ่งมาทําในรูปแบบประมาณเดือนนึงอะค่ะจิตมันหลงไปหรือว่าเราหลงโลกเราหลงโลกด้วยค่ะเอเราหลงโลกไม่ดีนะถ้าจิตหลงไปยังไม่เป็นไรเราคอยรู้ทันเอาแต่หลงโลกเราต้องมีวินไนมีวิไนไหมค่ะแล้วก็พอมาปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะคะจะปฏิบัติไม่ค่อยได้ค่ะหลวงพ่อคือจะฟุ้งๆหลงๆมีโทรศัมีอะไรวิ่งมาไหลายๆเต็มไปหมดเลยสมาธิเราไม่พอนะ ต้องทําความสงบเข้ามาบ้างไหว้พระส่วนมนต์แต่เวลาไหว้พระส่วนมนต์ก็อย่าหวังว่าจะสงบคิดว่าเราบูชาคุณพระพุทธเจ้าเรื่อยๆนะถ้าเราไม่ได้ทําโดยความหวังว่าจะต้องเอาดีเอาสุขเอาสงบนะมันจะดีมันจะสุขมันจะสงบได้เร็วค่ะพอจิตเราสงบพอสมควรมีเรี่ยวมีแรงเราก็มาดูธาตุดูขันทํางานถ้าเราไม่ได้ทําความสงบเลยจิตมันก็ฟุง้งดูยากค่ะ เราเหมาะกับการดูกายหรือดูจิตคะหลวงพ่อตอนนี้เหรอตอนนี้ยังไม่ดูกายดูจิตอะไรหรอกให้จิตกลับบ้านก่อนให้จิตอยู่กับเนื้อ ก, กับตัวบ่อยๆนะค่ะถ้าจิตอยู่กับเนื้อ ก, กับตัวแล้วเดี๋ยวหนูก็เห็นเองแหล ะ, ะถ้าสติเราเรื่องรู้กายบ่อยเราก็รู้กายไปสติเราเรื่รู้จิตบ่อยเราก็รู้จิตไปขอบคุณค่ะที่สําคัญก็คือให้ใจมอยู่กับเนื้อ ก, กับตัวอย่าให้ล่องลอยนะ นวัสกานกับหลวงพอ่อผมส่งกันบ้านเมื่อตอนมีนาคมนะครับหลวงพ่อแนะนำว่าให้ไปพุโทโธเป็น<ม>ที่อยู่ของจิตนะครับผมก็ปฏิบัติไปแล้วก็จิตมันก็สงบมากขึ้นกว่า<ม>ของเดิมแล้วก็<ม>บางครั้งก็เห็นเหมือนกับความคิดมันผุดขึ้นมาเหมือนกับฟองน้ำอะ่ะ น, นันนนะ่นนี่อยากจ ะ, ะที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยมันพอจะ <Okay. S 1> พอับ <DC. S 1> ดี <DC. S 1> ใช่ไหมครับดีส <DC. S 1> ิ เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะจิตใจเราฟุ้งซ่านตอนนี้จิตใจเราค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนี่ก็ดีขึ้นละมีสมาธิขึ้นมาเราเห็นความปรุงแต่งผุดขึ้นเหมือนฟองน้ำนะเห็นถูกนะนั่นแหละฟองน้ํานั่นแหละถ้ามันผุดขึ้นมาแล้วสัญญาเข้าไปหมายมันจะแปลออกมาอันนี้ปรุงดีอันนี้ปรุงชั่วรวมความแล้วทั้งหมดลราปรุงแล้วผมควรจะปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมรู้สบายๆอย่าถลําลงไปรู้ที่ฟองน้ํานะ ดูเห็นฟองน้ำมันผุดเคื่อใจเราอยู่ตาหากรู้สบายๆเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของบังคับไม่ได้ดูสบายๆอย่าให้ถลำไปรู้นะอย่าไปเพ่งไม่เพ่งตัวผู้รู้ด้วยไม่เพ่งฟองน้ำด้วยขอบคุณครับครับกลาวนมาสการหลวงพ่อครับครับเป็นครั้งแรกครับที่ส่งกันบ้านครับก็สถามหลวงพ่อว่าเอ่อ จิตถึงจิตพอที่จะทํากรรมฐานอะไรหรือยังนะครับท <ำ S 1> ําอะไรนะกรรมฐานนะครับกรรมฐานเลยจิตคใครก็ทําได้ครับแล้วก็อารมณ์กรรมฐานที่เหมาะกับตัวที่ที่ทำอะครับตอนนี้เราต้องให้จิตใจอยู่กับเนือ้อกับตัวก่อนนะจิตหนีไปบ่อยไหมไปครับเออนะหาเครื่องอยู่ให้จิตนะอะไรก็ได้แล้วแต่เราถนัดถนัดพุดโทโธก็เอาพุโทโธถนัดหายใจก็เอาหายใจนะแล้วก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปถ้ารู้บ่อยๆนะหรือสวดมนต์ยังได้เลย อะหั่งส้ำมาซ้ำพุโทโธยังไม่ทันพักาวารเลจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วเนี่ยรู้ทันมันรู้ทันจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆนะจิตจะได้สมาธิตั้งมั่นขึ้นมาทำตัวนี้ให้มากๆนะถ้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันก็ดูกายดูใจเขาทางานเรื่อยไปเหมือนดูคนอื่นเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวเห็นจิตใจโลภโกรธหลงเหมือนเห็นคนอื่นโลบโกรธหลงไม่ใช่เราโลภโกรธหลงคอยดูเรื่อยด้ย ควรจะทำในรูปแบบเพิ่มใช่ไหม ค, ครับใช่แต่ไม่ใช่ทําเพื่อเอาดีนะแต่ทาเพื่อรู้ทันจิตที่แอบไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ไม่ได้ไปบังคับให้จิตนิ่งจะททำเพื่อรู้ทันกิริยาอาการมันหนีไปแล้วก็รู้ไปเพ่งอยู่ก็รู้รู้ทันจิตบ่อยๆจิตหนีไปคิดไหมหนีไปคิดตอนนี้ตื่นเต้นรู้ทานเอานะครับทำมากๆแนละ้วมันมันจะพัฒนาเร็ว การนมัสกา ร, าการค่ะหลวงพ่อที่ปฏิบัติมาพอดีเมื่อเดือนเดือนที่แล้วนะคะนอนไปอะค่ะหลวงพ่อแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันมีจิตตัวหนึ่งตั้งมั่นอยู่ข้างในอะค่ะแล้วก็เห็นเฉพาะหน้าเหมือนมีความรู้สึกที่น่ากลัวอยู่ข้างหน้ามีอะไรนะความรู้สึกที่น่ากลัวอยู่เฉพาะหน้านะคา่าาะแต่จิตตัวนั้นก็ยังคงตั้งมั่นอยู่แล้วดูแต่จิตตัวนั้นเฉยเฉยมันดูเฉยเใช่เจ้าค่ะดูอยู่เฉยเแล้วก็ ที่สุดมันก็สิ่งที่น่ากลัวก็หายไปเพราะว่ามันไม่เที่ยงใช่ค่ะหลังจากนั้นก็มีเสียงอยู่ข้างในมีปรากฏเป็นเสียงของตัวเองเนี่ยพูดอยู่แต่จิตที่ตั้งมั่นก็ยังตั้งมั่นอยู่แล้วเสียงนั้นก็ไม่ได้ฟังมาพูดว่าอะไรที่สุดเสียงนั้นมันก็ก็หายไปนั่นแหละทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปนะมันเหมือนเกิดโดยไม่ได้ตั้งใจมันก็เกิดขณะที่หลับแล้วมันรู้สึกตัวขึ้นมาค่ะหลวงพ่อถ้าเราจงใจไม่เกิดออก เจ้าค่ะอันนี้<ต>มันคือขัดเจริญสติไปด้วยนะต่อไปมันเกิดบ่อยๆเจ้าค่ะแล้วที่ปฏิบัตินี้หลวงพ่อมีอะไรจะแนะนําต้องถ้าจิตมันไหลออกข้างนอกเราก็รู้ทันเอาน ะ, ะที่ฝึก อ, อยู่ก็ดีหรอกเจ้าค่ะแล้วเหมือนการทําสมาธิะคะบางทีมันไม่ได้การทําสมาธิมันไม่ได้สงบรวมนะคะแต่มางทีไปเกิดตอนหลับนะคะบางครั้งเหมือนจิตได้ไดะนะหลวงพ่อพุธก็เคยพูดนะเรื่องเนี้ยบอกบางคนเจริญสติในชีวิตประจําวันนี้แหละ นลสมาธิมันไปเกิดตอนหลับไม่เกิดเองเจ้าค่ะใช่ได้ก็ไม่ถึงว่าพยายามเจรอเจต็ให้คอยรู้ทันเวลาจิตไหลออกนอกอะจิตไหลไปไหลมาคอยรู้ทันบ่อยๆแท่านั้นแหละเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะกับนมาสการหลงพ่อครับผมปรึกปฏิบัติอ ฝึกสติด้วยวิธีการตามหลวงพ่อเทียนนะครับ <Yeah. S 2> แล้วก็ดูจิตตามวิธีการของหลวงพ่อนะครับ mm hmm. แล้วก็การฝึกสติของผมก็คือจะดูมือที่มันขยับแล้วมันไปเพ่งพอมันไปเพ่งแล้วมันจะหลง mm hmm. อ่ามันจะหลงขยับมือขวาจะหลงมือซ้ายขยับ mm hmm. มือซ้ายจะหลงมือขวา <laughs> ผมทำแบบนี้แต่ว่ารู้สึกว่ามันมันแน่นๆนะครับ <Yeah. S 2> ครับมันจะแน่นๆ แล้วก็พยายามดูดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็การฝึกปฏิบัติของผมรู้สึกว่ามันมันเหมือนอยู่ในห้องแล้วก็มีคล้ายๆกับมีหลอดไฟส่องให้มันร้อนมันรุ่มร้อนแล้วก็มีตัวเซนเซอร์อะไรสักอย่างหนึ่งพอพอมือไปโดนเซนเ ซ, นเซอร์แล้วก็จะรู้สึกว่า มันหลอดไฟตรงนั้นมันดับไปครับ ม, มันก็ติดดับติดดับแล้วก็ร้อนเย็นร้อนเย็น อ, อยู่ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ผมเคยส่งการผ้านหลวงพ่อครั้งหนึ่งเคยเคยส่งมาแล้วครั้งหนึ่งหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูดูตัวที่มันไม่เป็นกลางนะครับดูตัวที่เปนไม่เป็นกลางแต่ว่าผมผมก็ก็ดูดูแล้วรู้สึกว่าตัวที่มันบีบแร ง, แรง มันหายไปแล้วแต่ว่าตัวที่มันก็ยังมันยังยังยังไม่ก็คือมันยังทุกอยู่นะครับก็ดูมันไปนะอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้เท่านั้นแหละแล้วทุกอย่างมันดับให้ดูได้เท่านั้นแหละรเราไม่ได้มุ่งไปทําอะไรมันแต่ว่าทําแบบหลงพ่อเทียนต้องได้หลักนะถ้าขยับ Marsh เนี่ยท่าขย่าธาตรู้ก็คือปลูกความรู้สึกตัวเท่านเองทํายังไงจะปลูกความรู้สึกตัวได้ถ้าอยู่ๆไปบังคับจะให้รู้สึกนี่จะแน่นอันนี้ผิด ขยับแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกนะขยับไปแล้วรู้สึกหมายถึงอะไรขยับแล้วใจหนีไปที่อื่นนะรู้ทันขยับแล้วใจไปเพ่งเข้าไปในมือรู้ทันขยับแล้วรู้ทันจิตไว้จะได้ได้ตัวร um ู mm ้ข hmm, ึ้นมาพอเราได้ตัวรู้ขึ้นมาแล้วเราจะเห็นในร่างกายก็ของถูกรู้เวทนาก็ของถูกรู้นะกิเลสก็ของถูกรู้ไม่มีเราสักอันเดียวก็เดินปัญญาต่อไปแล้วผมควรจะดูยังไงเพิ่มเติมนะครับก็ขยับไปเลย ไปฝึกอย่างหลวงพ่อเตียนก็ดีอยู่แล้วล่ะครับแต่ไม่ใช่ไปฝึกแล้วก็ทําใจลอยๆไปนะครับไม่ได้ฝึกให้ใจลอยไม่ได้ฝึกแล้วเพ่งจนใจแข็งแข็งแต่รู้สึกว่าการฝึกมันรู้สึกมันจะจะเข้าไปเพ่งพอไปเพ่งแล้วรู้ว่ามันไปเพ่งแล้วจะไปบังคับมันนะอย่าไปบังคับมันให้รู้ว่าไม่พอใจแล้วยินร้อยละต่อไปขอบคุณกรรมนิมการหลวงพ่อค่ะ คือฟังคนอื่นเขาส่งกันบ้านรู้สึกว่าเขาจะค่อนข้างมีสีสันนะนะคะแต่ตัวเราดูจิตมาประมาณสีห้าปีมันก็เรื่อยๆช่วงแรกๆก็มีอุปสรรคบ้างก็ผ่านไปแต่ว่าโดยรวมๆเหมือนมันเรื่อยๆเปล่ยเปลยน เ, เลยไม่แน่ใจว่าตัวเองโดยรวมอะไรนะมันเรื่อยๆเปลี่ยเปลยนมันไม่ค่อยมีสีสันเหมือนคนอื่นคนอะไรอะไม่มีสีสันไม่เป็นไรแต่ต้องมีความต่อเนื่องนะสังเกตรหรือเปล่าว่าจิตของเรากับโลกข้างนอกนี่ห่างกันออกมาค่ะ เห็นไหมโลกข้างนอกมันทุกข์นะพอมันห่างออกไปความทุกข์มันก็ห่างใจเราออกไปด้วยดูออกไหมค่ะค่ะรู้สึกไหมกายกับจิตเป็นโคล่านมีรู้สึกบ้างแบบไหนรู้สึกเปล่าว่าความสุขความทุกข์กับจิตเป็นโคล่ามันใช่ไหมรู้สึกไหมกิเลสกับจิตเป็นโคล่านค่ะแล้วจะเอาอะไรอีกไม่ต้องมีสีสันหรอกสีสันเป็นความปรุงแต่งเห็นอย่างที่หลวงพ่อถามมาเนี้ยนะ เห็นได้หลักแล้วส่วนสีสันนะัของปรุงแต่งไม่ต้องมีสีสันหรอก<ม>ที่เราที่หลวงพ่อถามเนะี่ยคนอื่นเขาฟังแล้วเราก็รู้สึกว่ามีสีสันน ะ, ะมีไหมมีมันได้หลักได้ก็ดีแล้วละ่ะจะเอาอะไรอีกแล้วบางทีขับรถอยู่แล้วรู้สึกเหมือนตัวเรามันเหมือนแบบว่าค่ะว่ามันเป็นแขนมันเป็นท่อนๆแต่ไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่ามรู้สึกเอานะมันเห็นรูป มันเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเรานะแล้วหลวงพ่อเคยบอกว่าให้ไปปฏิบัติในรูปแบบมานะคะแต่ก็พยายามอยู่ค่ะหลวงพ่อมันทําไม่ค่อยได้มันจะดูจิตยอย่างเดียวคืออยากจะได้สมะถะก็เลยอยากจะขอกัรบ้านหลวงพ่อว่าการปฏิบัติในรูปแบบแบบไหนที่เหมาะกับเราะคะ่ะจะพุโทโธใจะอะไรก็ได้นะพุโทโธไปก็ได้อะไรก็ได้ลองดูสิเอาอะไรสบายเอาอันนั้นแหละ พอพุโทโธพอมันหลงไปมันก็ตามตามไปรู้ว่าตัวเองหลงแต่ว่ามันก็ไม่สงบแล้วก็มามพุโทโธต่อก็กลับมาเรื่อยๆมามพุโทโธเรื<ๆ>่อยๆไม่ได้ไม่ได้ภาวนาเอาสงบนะมันสงบเองค่ะถ้าจงใจให้สงบไม่สงบหรอกเหมือนอย่างโยมเมื่อกี้นี่ที่ส่งกันบ้านอะ่ะฝึกทั้งวันไม่สงบหรอกนะพอไปนอนไม่ได้จงใจเลยนะสงบเองเลยงั้นที่ที่ผ่านมาหลวงพ่อมีอะไรต้องแก้ไขเพิ่มอีกไหมคะ จิตขณะนี้ถึงฐานไหมไม่ค่ะไม่โอใช่ได้ผ่านขอบคุณค่ะตัวนี้ตัวแตกหักเลยถ้าจิตไม่ถึงฐานเดินปัญญาไม่ได้นามัศ ก, การเจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนไม่เห็นต้องสงสัยเลยจิตไม่ถึงฐานถึงฐานเป็นยังไงนะวิธีรู้ก็คือถ้าจิตมันไหลไปนะเรารู้ทนะันมันจะเข้าฐานเองจิตนี้ไปคิดเรารู้ทนะันเนี่ยมันจะเข้าฐานเองนะไม่ต้องตกใจหรอก เริตกใจแล้วจิตไม่ถึงฐานทำวิปั ส, สนาไม่ได้ตายระหว่าแล้วจิตถึงฐานเป็นยังไงอะไรเงี้ยคอยรู้ทานจิตที่ไหลนี่มันจะถึงฐานเองแหละค่ะการปฏิบัติในรูปแบบของหนูเนี่ยจะรู้แล้วว่าไม่ค่อยเหมาะกับตัวเองเพราะว่าเคยลองทําแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองจะแบบเพ่งแล้วก็เหมือนระหว่างวันเนี่ยเหมือนเราแบบเหมือนกับ พยายามมากเกินไปตั้งใจมากเกินไปแล้วแบบว่ามันก็จะโกรธง่ายแล้วก็ความรู้สึกอะไรมาเหมือนมันมันรู้สึกว่ามันแรงๆอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าก็พอมารู้ทางแล้วว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับการเจริญสติในชีวิตประจำวันอะไรแบบนี้อารมณ์ต่างๆที่มันมากระทบอะค่ะคือหนูอยากทราบจากหลวงพ่อค่ะว่าการเกิดดับของหนูที่หนูรู้เนี่ยรู้ถูกแล้วหรือยังะคะแล้วก็ ใจเป็นกลางขึ้นบ้างไหมะคะใจอะไรนะใจเป็นกลางขึ้นบ้างไหมอะคะ่ะคือเมื่ อ, อหลายปีก่อนนะคะ เ, <อ>เคยไปส่งกันบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าจิตหนูเนี่ยกำลังจะตื่นแล้วแห ล, ละแล้วก็อยากทราบว่าตอนนี้เนี่ยตื่นแล้วหรือยังอะคะ่ะจิตตื่นนะเขาเลิกพูดกันไปแล้วมันล้าสมัยแล้วมันสําหรับเด็กๆตอนนี้ต้องถามใหม่ว่าแยกธาตุแยกขันหรือยังก็ พอรู้บ้างแบบนานๆทีอะไรแบบนี้นนค่ะอย่างน้อยได้รู้แล้วล่ะมันแยกได้นั่นแหละมันพัฒนาล่ะนะคอยดูไปด้วยนะที่ฝึกอยู่ในใช้ได้อยู่รู้สึกเปล่ากลกับโลกนี้ใจกับโลกนี้ห่างๆกันออกไปเนี่ยค่ะนะฝึกไปเรื่อยดีค่ะแล้วก็ หนูอยากทราบว่าใจหนูเป็นกลางต่อการมองการคิดเห็ น, นอะไรหรือไ ม, ไม่เป็นกลางดูง่ายจะตายไปดูเอาเองค่ะเพราะว่าห น, หนูไม่รู้ว่าหนูมีอัตราเยอะเกินไปหรือเปล่าที่มาแบบไม่ใช่เยอะเกินไปหรือไม่เยอะเกินไปมันมีแค่ไหนก็รู้นั่นแหละดีที่สุดนะมากไปน้อยไปเป็นการให้ค่าถ้ารู้สึกมีน้อยก็ภูมิใจมีมากก็หงุดหงิดอะไรเงี้ยค่ะ เพราะว่าพ อ, พอเวลารู้สึกว่าตัวเองมองแบบนี้แล้วพอเห็นคนอื่นเขามองแบบอีกแบบนึงเราก็คิดว่าให้ของเราเนี่ยถูกแล้วนะในแบบนี้ออให้รู้ทันนะนี่กิเลสอีกตัวหนึ่งชื่อมานะค่ะเป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งเทียบเขาเทียบเราน ะ, ะหรือบางทีเห็นว่าโอ้คนอื่นคือเก่งอย่างเลยเราไม่ได้เรื่องเลยนี่ก็มานะนะเทียบเขาเทียบเราเหมือนกันค่ ะ, <น>ะอันนี้หนูก็มีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกัน ให้รู้<ะ>ทันมันก็กิเลสตัวหนึ่งเท่านั้นเองเหมือนกับลบกรดลงธรรมดานั่นแหละค่ะอ่ะต่อไปขอบคุณมากค่ะคาการนมัสการหลวงพ่อครับเพิ่งเริ่มปฏิบัติมาเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมครับไม่นานมานี้ก็แต่ก่อนหน้านี้ก็ปฏิบัติแบบสเปสปะมาเพราะว่ายังจับทางไม่ถูกอะฮะ ม, มาเพิ่งจับทางถูกได้เมื่อประมาณต้นเดือนเนี้ครับก็ช่วงระยที่ปฏิบัติเวลารู้มันจะพากับครับ S <S ว่าเนี่ยรู้อะไรอะไรเงี้ยครับห้ามไม่ได้หรอกครับแต่ว่าตอนนี้ก็หายไปแล้วครับแต่มันมีตัวใหม่ใหม่ใหม่อีกครับคือเป็นคนชอบฟังเพลงครับคือเวลาฟุ้งมากๆแบบภาวนาไม่ไหวก็จะฟังเพลงให้มันสงบก่อนได้แล้วก็ค่อยมานั่งภาวนาต่อแต่ว่าพอฟังเพลงแล้วเนี่ยพอมานั่งภาวนาได้ครับมันจะมีเพลงเล่นขึ้นมาในหัวเองครับนั่นแหละสัญญามันทางานห้ามไม่ได้หรอกแต่ก่อนจะ หลงไปประมาณวราร้องต่อคะมันจะขึ้นมาให้สักท่อนนิดๆแล้วก็จะร้องต่อมันก็จะไหลไปเรื่อยๆของมันเลยครับนี่ไ ง, งสัญญาสัญญาม์ผุดขึ้นมานิดนึงนะสังขารมันก็ปลุงต่อเลยเราก็ร้องต่อเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็รู้บ้างพอรู้บ้างก็จะไม่ร้องต่อมัวจะหายไปสักพักมัวจะเอาเพลงใหม่มาล่อลอีกเอ อ, อย่างเงี้ยครับมันเปลี่ยนเพลงอย่างดีนะบางคนมันร้องเพลงเดิมร้องอยู่วักเดียวอะ่ะใครเคยเป็นไหมปังแล้วญหุ่นหินนะรู้สึกไม่พัฒนาเลย อแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคือรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรครับมันแค่รู้เฉยๆนั่นแหละดีแต่ว่าไม่ต้องจงใจให้มันเป็นนะถ้ามันเป็นเองเราดีแล้วคือตัวที่เจอไปบ่อยไม่เข้าไปหมครับตัวที่เจอไปบ่อยจะไปเห็นความคิดนะคะมันจะคิดบ่อยมากเลยพอรู้ปุ๊บคิดยังรู้ไม่ถึงสิบวิก็คิดอีกแล้วอะไรอย่างนี้ครัคิดบ่อยมากกี่วินาทีนะคิดไม่ถึงสิบอะครับบางทีอะครับว่าไปดูไหมนะ วินาทีหนึ่งก็คิดแล้วปกติวัวับวับวับอนี้ทั้งวันแหละนะไปดูไปเรื่อยเลยเห็นเลยจิตเนี่ปรุงตลอดเวลาเลยครับนะแล้วก็มีแต่ทุกข์นะไปเห็นความรปรุงมากๆหเห็นทุกข์เยอะเลยรู้สึกทุกข์บ้างไหมบ้างครับนะไปดูนะแต่ไปใจอย่าแห้งแลรงรจะเห็นมันจืดชืดแห้งแล้งไม่มีความสุขเลยโลกเนี้นะถ้าเจออย่างนี้ก็ให้รู้ทันนะอย่าให้ความรู้สึกแห้งแรงเนะี่ยครอบงําจิตได้ ก็ <c oughs> เป็นแค่ ค, <ห uu. S 2> ความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองครับเราไอ้<ล>ตัวที่รู้แต่ไม่รู้ว่าอะไรนี่ก็ถือว่ารู้ใช่ไหมครับรู้รู้เรียบรบ้อยแล้วครับถ้ารู้ว่ารู้อะไรเนี่ยเรียกรู้สมมติบัญ ญ, ญ, ญัติ ah. ถ้าเห็นสภาวะแต่ไม่รู้อะไรเห็นสภาวะแต่คนส่วนมากเห็นสภาวะแล้วก็รู้สมมุติบัญ ญ, ญัติต่อแต่เราเป็นนักปฏิบัตินะถ้าเราเห็นแค่สภาวะปรุงขึ้นมาแล้วก็ขาดไปเห็นเท่านั้นแหละดีแล้วครับมีอะไรเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปไหมครับ ต้องอดทนนะอดทนดูแล้วดูอีกอย่าเลิกเร็วะครับใจร้อนไปคขอบคุณครับนมัส ก, การเจ้าค่ะโยมฟังซีดีมา 3- าสปีแล้วค่ะเพิ่งได้ส่งการบ้านครั้งแรกแทีนี้ว่าโยมเนี่ยทำทำในรูปแบบทุกคืนกลางคืนเนี่ยพอเวลาทําในรูปแบบเนี่ยจะรู้ว่าเห็นว่าจิตเนี่ยมันวิ่งเข้าไปจับที่ตัวจับที่ เวทานาจับนว่นจับนี่แล้วมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะแล้วจิตเนี่ยก็จะตออมันก็จะทั้งพูดทั้งทั้งพูดทั้งคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราเราไม่สามารถที่จะบังคับมันได้บังคับไม่ได้ค่ะแล้ว<ร>มันจะ<ำ>เรียนบังคับนะค่ะเราเรียนให้เห็นว่าบังคับไม่ได้ค่ะค่ะยมรู้ค่ะว่ามันมั น, ม, นมันเป็นอนัตตาอย่างนั้นออมันบังคับมันไม่ได้เลย ที่ว่ามันจะไปรู้อะไรนะคะแต่ว่ากลางวันเนี่ยกลางวันเนี่ยโยมจะหลงทั้งวันจะไม่ค่อยรู้ตัวแต่ว่าพอพอรู้ตัวเข้าไปถึงเนี่ยก็จะมองเห็นว่าจิตเนี่ยกำลังพูดอยู่กำลังคิดอยู่ตลอดเวลาไม่เคยจะได้หยุดได้เว้นกลางวันต้องทำงานหรือจะถามว่ากลางวันเนี่ยจะทำยังไงเจ้าค่ะถ้าเราต้องทางานที่ใช้ความคิดเนี่ยเราดูไม่ได้หรอก แต่ถ้ากิเลสแรงๆเกิดขึ้นมามันไปดูเองถ้าเราหมดแต่ดูกายดูจิตอยู่เนี่ยเราทำงานไม่ได้ยกเว้นงานที่ใช้ร่างกายนะอย่างกวาดบ้านเนี่ยดูกายดูจิตได้ทั้งวันเลยแต่ถ้าทำงานที่ใช้ความคิดนะดูไม่ได้หรอกเป็นธรรมดามันต้องไปจดจ่อกับงานเหมือนกับโยมจะต้องนั่งถึงจะได้ไ ด, ได้ดีหรือเปล่าเจ้าค่ะไม่ใช่รเราฝึกซ้อมไปด้วยนะทุกวันกลับมาบ้าน ก็มาซ้อมหาดูจิตดูใจมันทำงานไปเรื่อยพอต่อไปสติมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นอยู่ในชีวิตประจำวันนะจิตไหวบั๊บก็เห็นเองอ่ะไม่ได้จงใจจะเห็นหนอกอย่างยงอย่างนี้โยมเรียกว่าแยกธาตุแยกขันได้หรือยังคะการที่เห็นตัวแล้วก็เห็นความร้อนในตัวนี่มันรูบขึ้นมาแล้วก็หายไปหาดูไปนะดูไปเรื่อย ไม่เห็นเลยทุกอย่างมันเป็นของถูกรู้ถูกดนะูมาแล้วก็ไปดูอย่างนะี้ดูสบายๆแต่เวลาดูเนี่ยอย่าให้ใจถลาลงไปดูดูเมือนเห็นของคนอื่นก็นะยมดูอย่างนี้ถูกร้าใช่ไหมจ๊ะหมดแล้วยังหมดแล้วเหรอว่ก็ได้ฟังธรรมแล้วก็ส่งกันบ้านครบแล้วนะครับ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 ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาขะังเอวเมวะอีโตจินนางเปตานางอุปกัปกติอิชิตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิตโยวิวัชชนตูสัพพโรโควินัสตุ มาเตพาวัจวันตรายโยสุขีที่คายุโภพวะอภิวาธนาสีลิสนิจจังวุทธาปจจายโนจัตาโรธรมาวัันปีอายุวันโนสุขังพระลัง